บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเรื่องของวิปัสสนูปกิเลสคือสิ่งที่ทำให้วิปัสนาจิตเศร้าหมองนั้นในชั้นหนึ่งจะเห็นได้ว่าก็เป็นกุศลได้ทำเป็นความดีงามเหมาะอวรในระดับหนึ่ง แต่เมื่อไปอยู่ในระดับหนึ่งก็กลับเป็นอุปสรรคในการสัมผัสผลของการปฏิบัติในระดับนั้นข้อนี้จะเห็นได้ว่าพวกกุศลละธรรมด้วยกันเมื่อเรามุ่งผลในกุศละรรนน ล, ศละธรรมด้านหนึ่งแต่กลับไปทํากุศลละธรรมด้านหนึ่งกุศลละธรรมด้านที่เราทําใหม่ก็กลับเป็นอุปสรรคของกุศลละธรรมที่เราต้องการได้รับผลนอกจากอย่างเช่น การนั่งกรรมฐานทำสมาธิเพื่อจิตใจเกิดความสงบผลก็อยู่ที่ความสงบแต่ในขณะเดียวกันแล้วก็หันมาสนทนาธรรมกันเป็นธรรมศาสัจษาเป็นอุดมมงคลประการใดซึ่งว่า ท, ที่จริงก็เป็นกุศลแธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่เมื่อต้องการผลคือความสงบในขณะนั้นแต่กลับมาสนทนาธรรมเสียความสงบก็เกิดขึ้นไม่ได้ วกุศลธรรมคือการสนทนาธรรมจึงกลายเป็นอุปสรรคของสมาธิไปท า, ทางที่เป็นกุศลธรรมด้วยกันการปฏิบัติถึงชั้นของวิปัสนาจิตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันสิ่งที่ท่านเรียกว่าเป็นวิปัสณูปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองแห่งวิปัสนาหรือสิ่งที่ทำให้วิปัสนาเศร้าหมองนั้นเช่นโอภาษ แสงสว่างที่บังเกิดขึ้นปิติความเอิบออิ่มใจวิปั ส, สนาจิตคือจิตที่ยังเห็นวิปั ส, สนาได้แก่เห็นไตรลักษณ์ตามความเป็นจริงปัจสฉิจใจที่มีความสงบเป็นต้นดังที่กล่าวแล้วนั้นแล้ว็นี้ลลทั้งนั้นทั้งหมดทั้งลั็นทั้งรคของวินัสนปัญญาซึ่งจะตัอง ปฏิบัติเพื่อละความยึดความติดในสัตว์และสังขารทั้งหลายซึ่งในช่วงนี้ถือว่าเป็นหัวเรียวหัวต่อของการปฏิบัติที่มีความสำคัญมากดังนั้นท่านจึงสอนให้บุคคลพยายามกำหนดแยกแยะพินิษพิจารณาให้เห็นอาการเหล่านั้นชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่วิปัสสนูปกิเลสข้อที่6ได้แก่อันธิโมก คืออาการที่จิตน้อมเชื่ออย่างลงอย่างไม่หวั่นไปในกุศลธรรมที่ตนกำลังประสบอยู่ในขณะนั้นอธิโมกเป็นอาการของศรัทธาประการหนึ่งคือการน้อมใจเชื่อลงไปในคุณของพระรัตนตรัยเป็นต้นในชั้นเบื้องต้นเป็นวิถีทางที่จะนำคนให้สัมผัสกุศลธรรมแต่พอมาถึงในชั้นนี้ทำให้บุคคลหยุดชงัก ในการประพฤติปฏิบัติเพราะมีความเชื่อมั่นปรากฏขึ้นภายในจิตอย่างไม่หวั่นไหวว่าการปฏิบัติของตนได้บรรลุผลคือจุดหมายปลายทางไปแล้วความเพียรพยายามที่เคยเพียรพยายามมาก็หยุดอยู่เพียงแค่นั้นดันั้นท่านจึงสอนให้ผู้ปฏิบัติกำหนดพินิษพิจนารณาดูให้ดีว่าอาการที่จิต เกิดความเชื่อมั่นอย่างหลงในลักษณะนี้เป็นตัวผลที่แท้ จ, จริงหรือว่าเป็นอุปกิเลตของวิปัสสนาในการจำแนกแย ก, กแยะนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าใจว่ามาถึงชั้นนี้แล้วทั้งสมาธิและปัญญามีความแหลมคมสูงมากถ้าหากว่าบุคคลไม่ติดในจุดนั้น แต่ดึงเอาปัญญาซึ่งมีอยู่แล้วเข้ามาใช้เข้ามาสอดส่องพินิพิจารณาดูก็จะแยกได้ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรในกรณีนี้ประการต่อไปคือเรียกว่าปัจ ก, กาหะได้แก่ความเพียรพยายามที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้นโดยโดําดับนั้นพอจนถึงพอมาถึงจุดนี้ความเพียรพยายามที่ปฏิบัติไป ไม่มีความยิ่งและความหย่อนคือเป็นความเพียรที่สม่ำเสมอกันอยู่ตลอดเหมือนกับการขับรถไปบนถนนที่จงราบเรียบบุคคลก็คุมจับไว้แต่พวงมาลัยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ต้องหมุนอะไรรุนแรงก็คุมรถไปได้โดยสวัสดีลักษณะของจิตในขณะนี้ก็มีอาการอย่างนั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าตามปกติแล้วความเพียรที่สม่ำเสมอ คือไม่หย่อนไปไม่ตึงไปเป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่จะสร้างความสงบความรู้ให้บังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ปฏิบัติแต่ในกรณีของชั้นนี้ท่านก็สอนให้กำหนดพินิจพิจารณาแยกแยะเช่นเดียวกันพระปกาหะคือความเพียรที่ประคับประคองอยู่ได้อย่างดีพิเศษนี้ ทำให้ตนถึงจุดหมายปลายทางแล้วหรือยังถ้ายังก็ต้องรู้ไว้ว่านั่นไม่ใช่ทางที่ตนต้องประสงค์ไม่มีความยินดีความเพลิดเพลินในการของความเพียรที่ปรากฏขึ้นประการต่อไปท่นานใช้คำว่าอุปัทานะคือตัวสติสติซึ่งทำหน้าที่ระลึกอยู่ที่อารมณ์ของกรรมฐาน ในชั้นนี้ก็ระลึกอยู่ที่นามรูปจะตั้งมั่นอยู่ในตัวนามรูปเพราะเกิดขึ้นที่วิปัสสนาจิตระลึกเห็นความเกิดดับของนามรูปชัดเจนคล้ายๆกับกล้องจุลทรรศมาส่องดูความเปลี่ยนแปลงของหยดเลือดเป็นต้นเจนความเกิดดับในลักษณะที่ชัดเจนได้มาก ลักษณะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสังขารทั้งหลายปรากฏขึ้นภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติแจ่มชัดเป็นอย่างจริงเพราะมีลักษณะปัญญาเข้าควบคุมไว้อย่างสูงบุคคลมองเห็นนามรูปมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงความดำรงอยู่แห่งนามรูปแต่และอย่างก็เห็นได้ชัดว่า มันอยู่ได้เพียงช่วขณะขณะหนึ่งเท่านั้นมองเห็นนามารูปพร้อมทั้งเหตุทั้งปัจจัยเห็นว่านามารูปแต่ละอย่างไม่ว่าจะประณีตอย่างไรก็ตามลวนแล้วแต่เป็นเพียงนามารูปเท่านั้นไม่มีอะไรที่พอกำหนดหมายได้ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรามองเห็นความแผดเผาความเล่าร้อนที่เกิดขึ้นแก่นามารูป มองเห็นได้ชัดว่าเราไม่เป็นเจ้าของนามรูปที่แท้จริงนามรูปเองก็ไม่เป็นเราเราก็ไม่มีอยู่ในนามรูปนั้นและนามรูปก็ไม่ได้มีอยู่ในเราเป็นแต่การประกอบของเหตุของปัจจัยเท่านั้นเมื่อแยกจ้อยออกไปแล้วก็กลายเป็นสภาพที่ว่างที่ศูนย์จะความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นตนวิปัสนาจิตที่ประกอบด้วย ด้วยสติรู้ปัฏฐานะได้แก่สติที่ตั้งมั่นลงในานามรูปเชน่นนี้ตามปกติแล้วก็เป็นกุศลธรรมดังกล่าวในชั้ น, ต, นต้นเป็นกุศลธรรมที่คอยคว้าปรารถนาจะให้เกิดขึ้นเพราะในชั้นนี้ต้องใช้ปัญญาเข้าพินิษ์พิจารณาดูเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวแล้วในตอนต้นเมื่อมองเห็นเมื่อสติระลึกอยู่ ที่วิปัสสนาคือความเห็นแจ้งในใจลักษ์ดังกล่าวแล้วจิตก็จะเกิดอาการอย่างหนึ่งขึ้นมาคูเบคาได้แก่การวางเฉยในสัตว์และสังขารทั้งหลายอนี้ผู้ปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้ว่าตามปกติแล้วใจคนจะเฉยอยู่ไม่ได้เพราะมักจะตกอยู่ในเงื่อนไขสองอย่างอย่างแรก คือด้วยความรู้สึกลำเอียงด้วยความรักใคร่ยินดีพอใจในนามรูปเหล่านั้นหรือในสัตว์และสังขารดัานั้นมเม้นความเปลี่ยนแปลงของสัตว์และสังขารอันเป็นทิรักของตนก็จะเกิดความเศร้าโศกเสีจจยใจประเวทนาการขร่ำครวญไปด้วยประการต่างๆซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ปรากฏให้พบไปเห็นกันในที่ทั่วไปลักษณะอย่างหนึ่งคือปฏิฆนิมิตหรือปฏิฆณสัญญา การกำหนดเงื่อนไขลงไปเลยว่าสัตว์สังขารเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่พึงใจไม่น่าพอใจเป็นศัตรูกระตุนเป็นต้นต้องการจะเห็นความผิดน่าเดือดร้อนความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาะเกิดขึ้นกับสัตว์และสังขารเหล่านั้นใจก็จะวิ่งอยู่อย่างนี้อย่างที่ทรงแสดงว่ามีอภิชาและโทมนะันั้น การปฏิบัติก็คือเพื่อขจัดอภิชาและโทมนัสออกไปหมายความว่าเพื่อบรรเทาความเพ่งเล็งโลภอยากได้ในสัตว์และสังขารทั้งหลายเพื่อบรรเทาความรู้สึกโทมนัสเสียใจน้อยใจครับแขนใจขัดเคืองอึบหนิดต่อสัตว์และสังขารบางอย่างซึ่งว่าจริงความรู้สึกทั้งสองประการนั้นเกิดขึ้นจากการปรุงคิดและคิดปรุงของบุคคล พระสัตสังขารอย่างหนึ่งในโอกาสหนึ่งบุคคลอาจจะมีความกำหนัดรักใคร่ ย, ยินดีเพราะมีเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรักใคร่ ย, ยินดีแต่ในกาลหนึ่งในเทศะหนึ่ ง, งสัตว์และสังขารเหล่านั้นนั่นเองเหตุปัจจัยที่ให้เกิดความรักใคร่ ย, ยินดีเปลี่ยนแปลงไปก็ก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ความโทมนัสความจิงชังในสัตว์และสังขารเหล่านั้น ข้อนี้เพ่งเห็นตัวอย่างในที่ทั่วไปเช่นคนรักใคร่ชอบพอกันต่อมาก็เป็นศัตรูกันจนถึงก็ฆ่ากันแม้ชันของสามีปัญญาก็มีพฤติกรรมให้พวกไปเห็นกันยูข้อนี้เป็นการเชียวเห็นได้ว่าไอ้การกำหนดหมายของบุคคลที่มีต่อ น, นา ม, มารูปหล่นั้นเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญซึ่งก่อให้เกิดผลเป็นความอยากได้ปรารถนาหรือเป็นความเคียดแค้นจริงจัง แต่พอมาถึงชั้นนี้ความเปลี่ยนแปลงทางจิตได้เกิดขึ้นรู้สึกมัทธยัตอยู่ในท่ามกลางคือประกอบด้วยเบกขาเป็นความวางเฉยในสัตว์และสังขารทั้งหลายไม่เกิดความกำหนัดรักครา ย, ยินดีในสัตว์สังขารบางชนิดไม่เกิดความเครียดแค้นจิงชังในสัตว์และสังขารบางชนิดแต่เป็นอาการของจิตที่มองดูสัตว์และสังขารเหล่านั้น โดยไม่ได้ผูกพันอะไรกับตนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตนคล้ายๆกับว่าเราไปดูบุคคลบางคนที่ไม่รู้จักมักคุ้นกันหรือรเหตุการณ์ของโลกซึ่งเราไม่ได้ไปมีความรู้สึกกว่าับของเราหรือเป็นพวกเดียวกับเราไม่ว่าเขาจะเบียดเบียนทาลายล้างกันหรื อ, อยังไงกันเราก็รู้สึกเฉยๆเพราะอะไรเพราะว่าความเป็นเราเป็นของเราในขณะนั้นไม่มี ลักษณะของอุเบกขาที่เกิดขึ้นในชุดนี้เป็นอุเบกขาในวิปัสสนูปกรณ์ซึ่งลักษณะของอุเบกขานั้นบุคคลพึงสังเกตในชีวิตประจำวันของตนอย่างในกรณีของลูกหลานที่จเจริญเติบโตขึ้นแกเดินเหินได้แกวิ่งเล่นได้แอ่จิตใ จ, จซึ่งเคยผูกพันเคยห่วงใยว่าแกจะเดินไม่ได้แกจะหกลม้มแกจะมีอันตรายก็ผ่อนคลายลงไป ก็มองเด็กมองดูเด็กเหล่านั้นด้วยความวางเฉยไม่วิตกกังวลเหมือนเมื่อก่อนหรือว่าการที่เห็นสัตว์และสังขารทั้งหลายแตกดับไปเมื่อใจเรายอมรับความจริงใจเราก็ย่างลงสู่กฎแห่งกรรมได้โดยวิจารณาเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นตน้นความยินดีหรือความยินร้ายก็ไม่เกิดขึ้น ในความเปลี่ยนแปลงแห่งสัตว์ได้สังการเหล่านั้นนี่คือลักษณะของอุเบกขาที่บังเกิดขึ้นซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงแล้วเป็นอาการสงบระ ง, งับของกิเลสแต่ในชั้นนี้ท่านก็สอนให้ใช้ปัญญาพินิพิจนาเช่นเดียวกันว่ามันเป็นอะไรกันแน่เพราะในชั้นอื่นๆก็เกิดอาการอย่างนี้เหมือนกันแม้ในชั้นก็สามม า, ากักรรมฐ า, านก็เกิดอาการอย่างนี้ เพราะอะไรเพราะอย่างอุเบกขานี้มีอยู่ตั้งสิบระดับด้วยกันมีจนถึงเป็นชานเป็นอะไรไปเรื่อยพระพุทธเจ้าเองก็ส่งอุเบกขาคือเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ส่งประกอบด้วยธรรมะเหล่านี้แต่นี้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการหลุดพ้นไปแล้วอย่างสิ้นเชิงคล้ายๆกับตัวอย่างอย่างที่เคยยกมาว่ามันเหมือนวิชาความรู้ที่เราเรียนสมัยชั้นปรถมซึ่งเราต้องละชั้นปรถมมาเพื่อเรียนชั้นมัธยมมาโดยลาดับ แต่ความรู้ในชั้นประถมนั้นมันกลับมีความเข้มข้นสูงขึ้นมีความเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นแต่ในขณะที่เราจะเลื่อนมาเรียนมัธยมเราติดอยู่ที่ชั้นประถมไม่ได้เพราะถ้ า, ถาืนติดอยู่ก็ขึ้นมาเรียนมัธยมไม่ได้นั่นเองอีกประการหนึ่งคือนิกันติแปลว่าความรักใคร่ความอานไล่ความเพลิดเพลินสยบจิตมันเป็นความสุขพิเศษความสงบพิเศษที่เราไม่เคยพบมา โอกาสที่จะติดจึงมีได้ง่ายถ้าทํานองคนที่เดินมาในหนทางที่ร้อนด้วยแสงแดดแดผดเผาไปพักผ่อนอยู่ใต้ร่มไม้<ๆ>ก็ไม่อยากจะออกมาจากงรางกมไมเหล่านั้นทางที่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่ก็เพลินติดอยู่ในความสงบเย็นซึ่งตนได้จากเงาของต้นไม้จิตใจของผู้ปฏิบัติมาถึงจุดนี้ก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกัน คือจะมีนิกรติความรักความอาลัยความเยื่อใยยังมีกำลังมันมีลักษณะเหมือนกับยางเหนียวท่านจะเห็นได้ว่าเราดึงแรกๆมันจะขาดแต่มันไม่ขาดดึงไปพอถือแรงบางทีมันก็ดึงกลับมาอีกทีหนึ่งลักษณะจิตที่เหนียวอยู่กับอารมณ์เหล่านี้ก็มีอาการอย่างนั้นจะมีความเยื่อใ่มีความอาลัยมีความห่วงหน้าพระวงหลัง จนบางครั้งไม่ยอมใช้ปัญญาคิดพินิพิจารณาตามหลักฐานที่ปรากฏนั้นท่านแสดงไว้ว่าบุคคลบางพวกติดอยู่ในพิปัสโนปกิเลสนี้เป็นสิบสิบปีแล้วก็สําคัญว่าตัวได้บรรลุแล้วด้วยเพราะอะไรเพราะท่านเมื่อท่านติดท่านชอบท่านก็บําเพ็ญของท่านมาหยุดอยู่ตรงนี้เรื่อยนั่งกรรมาฐานทีไรก็จเจริญมาถึงจุดนี้แล้วก็หยุดเพลินอยู่ในที่นั้น ท่านก็เข้าใจว่าท่านได้เมื่อทําบ่อยๆความชานิชนานาญสูงขึ้นมีปัญหาหลายท่านก็เจริญวิปัสนาเข้ามานั่งกรรมาฐานมามาสงบอยู่ที่นี้มาพักอยู่ที่นี้เป็นสิบสิบปีกิเลสไม่ได้ฟูกขึ้นกรุ่มรุ่มใจแต่ประการใดถ้าหากว่าท่านเจริญอยู่เรื่อยๆดังนั้นจึงต้องอาศัยปัญญาที่แหลมคมกบเจาะพินิจพิจารณาแยกแยะให้ได้ เพราะไรเพราะผลเสียที่เกิดขึ้นจากติดอยู่ในวินปัสสโนภิกเลตมีสองอย่างที่ชัดเจนมากคือหนึ่งให้หยุดความเพี่ยนพยายามอย่างที่บอกมาแล้วว่าคล้ายๆกับคนเดินทางต้องการจะไปในที่ใดที่หนึ่งเมื่อไปเข้าใจว่าที่ระหว่างทางซึ่งตนกำลังประสบนั้นคือที่ที่ตนต้องการจะไปก็หยุดความพยายามที่จะเดินต่อไปเพราะเข้าใจว่าถึงแล้ว เพลิดเพลินสนุกสนานอยู่กับสถานที่เหล่านั้นแน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่เดินทางอะไรเลยท่านเหล่านี้ก็ดีกว่าแต่ว่าในชั้นนี้ท่านนําไปเปรียบเทียบกับคนที่ถึงจุดหมายปลายทางท่านเหล่านี้ก็ได้รับผล น, น้อยกว่าคนซึ่งถึงจุดหมายปลายทางการบรรยายธรรมะในเรื่องนี้ที่ท่านแสดงเอาไว้ในรัฐวินิจสุน เป็นการแส ด, แดงจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดหมายปลายทางจึงมีการจำแนกแส ด, แดงถึงสิ่งที่บุคคลจะต้องประสบในระหว่างหนทางว่าให้กำหนดพินิษ์พิจารณาระลึกรู้อย่างไรจึงจะสามารถสลัดความยุ่ยยวนแห่งอารมณ์ที่ประสบในระหว่างทางได้เพื่อป้องกันไม่ให้จิตไปจุดอยู่ในแต่ละจุดของ สิ่งซึ่งตนได้สัมผัสใหม่ๆและประการที่สองซึ่งออกจะรุนแรงเป็นพิเศษคือพร้อมที่จะพลิกกลับเป็นมิจฉาทิฐิได้เลยจำไปนั่นก็คือความรู้สึกปักใจอย่างรุนแรงในความเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราและความเป็นของเราซึ่งแต่ละอย่างนั้นเป็นอาการยึดติดด้วยอำนาจของตันหามานะชิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมานะว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะเกิดขึ้นภายในจิตสำนึกของบุคคลเหล่านั้นสูงและมานะประเภทนี้เองที่ทำให้พระอริยบางท่านไปหลงเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระอริยทั้งๆ ท, ที่ท่านยังไม่เป็นเนื่องจากท่านเข้าใจว่าท่านเป็นไม่ไดีมีเจตนาจะอวดจะอะไร ในด้านวินยัยท่านจึงไม่ปรับเป็นอาบัติท่านเรียกว่าอธิมานะคือสาคัญผิดหลงผิดเข้าใจผิดพูดไปตามที่ท่านประจักษ์ของท่านท่านไม่ได้เจตนาเป็นอย่างอื่นทั้งๆที่วินัยในข้อ น, นี้ปรับโทษไว้แรงมากแต่สารับท่านที่ปฏิบัติมาหลงทางอย่างนี้ไม่ได้มีปัญหาทางวินัยแต่ป้อกันได้ท่านได้เล่าถึงพระเทระสองรูปที่ติดอยู่ในเรื่องเหล่านี้ ท่านก็เพลินท่านก็สยบยินดีอยู่ในวิปัสสนู ป, ปกิเลนท่านเรียกว่าหลงชาญจนพระเถระอารหัน ร, รูปหนึ่งต้องการที่จะช่วยเหลือท่านไปทดสอบท่านด้วยวิธีการต่างๆปรากฏว่าไม่มีแววอะไรท่านเองก็เข้าใจว่าท่านได้บรรลุแต่เมื่อพระอารหัน ร, รูปนั้นท่านขอให้ นิรมิตเป็นรูปสตรีให้สวยงามขึ้นมาด้วยอำนาจมโนมยิทธิถ้านิรมิตได้นิรมิตยืนเฉยเยกิเลสไม่ได้ฟูกขึ้นแดประการใดนิรมิตเพิ่มขึ้นอีกเป็นเจ็ดคนยืนเฉยเฉยไม่มีปัญหาอะไรบอกให้ผู้หญิงเหล่านั้นไร้รำปรากฏว่ากิเลสราคะซึ่งสรยุปสงบอยู่ภายในลึกมากเขาก็ฟูขึ้นมาท่านรู้ตัวแล้วก็หยุดเจริญ ม, มิปัสสนาต่อตอนนั้นก็บรรลุมรกรุ่นไปได้ อีกรูปหนึ่งใช้วิธีให้กลัวแล้ใช้มโนมยิทธินิมิตขึ้นมาเป็นเสือเสือขึ้นมายืนเฉยๆหลวงพ่อก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกันแต่พอเสือกระโจนระโชคมาเข้าหาท่านท่านตกใจก็รู้ทันทีว่าไม่ใช่ท่านหลงท่านเข้าใจผิดมาเป็นเวลานานเพราะอะไรเพราะว่าพระอรหันต์ไม่มีความเสดุดุงต่ออันตรายทั้งหลาย ไม่ว่าฟ้าถล่มดินถลายอะไรลงมาจิตใจสะดุ้งนั้นไม่มีเพราะคิดคนที่สะดุ้งนั้นเรื่องจากกลัวตายถ้าจะถาม่าทำไมกลัวตายเพราะเราไม่รู้ยังมีอวิชชาอยู่ภายในจิตใจแต่พระหันท่านไม่มีอวิชชาท่านมีแต่ความรู้ท่านจึงไม่กลัวตายเพราะความอันไลยดีความยึดความจิตในกายตนกายบุคคลอื่นทรัพย์สมบัติเป็นต้นภายในจิตสานึกของท่านไม่มี ดางนั้นตัววิปสัสสโนปกิเลสท่านจึงสอนให้ใช้ปัญญากำหนดพินิจพิจารณาที่เรียกว่ามาัคคามัคยานะทัศนะวิสุทธ์คือแยกให้ชัดว่าอะไรมันทางหรือไม่ใช่ทางคล้ายๆกับบุคคลเดินทางหรือขับยานภานะมาถึงทางแยกสองทางดูสวยงามด้วยกันทั้งสองทาง แล้วในที่สุดมันมองเห็นทางหนึ่งว่าสวยงามทางหนึ่งไม่น่าจะเดินมากกว่าเพราะท่านไปเพลิดเพลินอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งทั้งกว่า จ, จะปักใจไปในทางที่ท่านเห็นว่าสวยงามได้ล้วก็แยกทางไปผิดได้ในจุดนี้จะต้องอาศัยปัญญาพินิษ์พิจารณาเป็นอย่างมากแยกให้ออกว่าอะไรเป็นทางหรือไม่ใช่ทางเมื่อแยกได้ชัดมันก็เข้าถึงจุดนี้คือจิตใจจะมีความบริสุทธิ์สะอาดขึ้น เขแยกได้ชัดเจนว่านี่ทางและไม่ใช่ทางการแยกในแนวนี้ผู้ปฏิบัติธรรมะจะพิจารณาเห็นได้ว่าเราต้องแยกอยู่ตลอดตั้งแต่ระหว่างกุศลกับอกุศลระหว่างกุศลกรรมบทกับอกุศลกรรมบดระหว่างสุจริตกับทุจริตระหว่างธรรมะกับธรรมะระหว่างบาปกับบุญระหว่างนิวรณ์กับความสงบแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆลําดับเพราะทางในการดําเนินชีวิต จากสามัญธรรมดาจนถึงจุดหมายปลายทางในพระพุทธศาสนานั้นก็มีสัมมามักกับมิจฉามักคือทางผิดกับทางถูกเท่านั้นเองไม่ได้มีอื่นไปจากนั้นปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าบางครั้งบางคราวบุคคลไปหลงผิดในมิจฉามักว่าเป็นสัมมามักคือทางที่ผิดว่าเป็นทางที่ถูกเพราะไปเพลิดเพลินไปติดไปหลงอยู่ในจุดใดจุดหนึ่ง ทำให้บุคค ล, ลเหล่านั้นเดินทางหลงไปไม่ว่าในช่วงใดก็ตามก็พร้อมที่จะหลงได้พอมาถึงชั้นที่ประณีตจึงต้องอาศัยปัญญาเข้าพินิษพิจารณาไว้ให้มากเป็นพิเศษพอแยกได้แล้วก็ชื่อว่าเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดในชั้นของวิสุทธิข้อที่ห้าที่เรียกว่ามัคคามัคคายานัทสนาิสุทธิ ต่อแต่นั้นการปฏิบัติของบุคคลก็จะเดินเข้าไปสู่ขนทางที่เรียกว่าเป็นสัมมามัตยคือขนทางที่ชอบอันประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยสติความเปลี่ยนแปางเป็นตัวควบคุมเป็นตัวชักนำจิตใจของบุคคลผู้ปฏิบัติให้ดําเนินไป ปัญญาประจักษ์ชัดขึ้นภายในจิตเพราะวิวปัสนาจิตคือจิตที่เห็นแจ่มแจ้งนั้นได้ขจัดฝ้ามัวต่างๆคือวิปัสนูปกิเลสเครื่องเศรมองแห่งวิปัสนาออกไปการประพฤติปฏิบัติในชั้นนี้จึงเป็นเรื่องที่เสริมสร้างทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญามาโดยลำดัก ธรรมะเหล่านั้นจะเกิดขึ้นทำปฏิกิริยาต่ออารมณ์ของตนโดยอัตโนมัติหากว่าไม่ไปหลงไปเพลิดเพลินอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งของวิปัสสนูปกิเลสดังที่กล่าวแล้วต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบซืบต่อไป